ช่วงนเมืองไทยอากาศเย็นหลวงอากาศเย็นนียมาจากเมืองจีนตามพวกเรามาเอาคนต่อไปปีที่แล้วหลวงพอบอกว่าให้เขาดูดูใจตัวเอง แต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าใจเริ่มมีพลังมากขึ้นสามารถเห็นสภาวะที่น่าเย็ดเนื้อคนไหนอ๋อใจมีแรงขึ้นถูกแล้วก็ดูต่อไปนะเราจะเห็นใจเราเนี่ยมีแต่ความไม่แน่นอน เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรอเห็นมากๆแล้วต่อไปปัญญามันเกิดมันรู้ความจริงว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรๆที่ผ่านเข้ามาในใจเราชั่วคราวทั้งหมดถ้าเห็นอย่างนั้นได้ต่อไปความทุกข์มันจอน้อยลงน้อยลงมันยอมรับความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราได้ ความสุขกับความทุกข์ก็เท่าเทียมกันนะพอมาแล้วก็ไปเหมือนๆกันทุกอย่างเป็นครูสอนเราทั้งหมดความรู้สึกทุกอย่างสอนเราทั้งนั้นเราเห็นบ่อยๆเห็นความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปบ่อยๆก็เหมือนเราเข้าห้องเรียนทั้งวันทำการบ้านบ่อยเห็นสภาวะเกิดดับ สุ้ายปัญญามันก็เกิดบางคนนานๆดูทีหนึ่งปัญญาก็เกิดช้าวันหนึ่งดูไม่กี่ครั้งอะไรเงี้ยโอ้หหลายชาติเลยกว่าจะรู้ธรรมะถ้าเราดูบ่อยๆเห็นเปลี่ยนแปลงทั้งวันนะอย่างนั้นใช้เวลาไม่มากเวลาจะดูจนกระทั้งใจยอมรับความจริงดูจนใจยอมรับความจริงว่าทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราทุกอย่างเป็นของชั่วคราว เรามีชีวิตยอยู่เหมือนเราฝันอยู่เท่านั้นเองอยู่กับความฝันนั่นเดี๋ยวก็ตื่นขึ้นมาความฝันก็หายไปทุกอย่างในชีวิตเราที่เราเจอเนี่ยมันเหมือนฝันฝั น, ฝนอยู่อย่างตอนเราเด็กเด็กเราเจอพ่อเจอแม่พออายุเราเยอะขึ้นพ่อแม่เราก็ตายไปเลยหรือต่อไปคนรู้จักเราเขาตายไปคนที่เคยเห็นก็ไม่ได้เห็นอย่างเงี้ย นี่ชีวิตจริงๆเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเรายึดติดกับอดีตพออดีตเปลี่ยนไปเราก็ทุกข์ถ้าเรายึดปัจจุบันคือไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเลยอยากจะเป็นอย่างนี้ตลอดในความเป็นจริงมันต้องเปลี่ยนเราก็ทุกข์อีกนะงั้นถ้าใจเรายอมรับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่กลาลังมีอยู่ได้เราจะไม่ทุกข์หรอก ในใจจะยอมรับได้ ใ, ใจก็ต้องได้เห็นความจริงบ่อยๆว่าทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไป ใ, ใจก็จะยอมรับได้คนต่อไปเขารู้สึกว่าเวลาภานจิตไม่พอรู้สึกว่าภาวนาจะงุดหงิดง่ายเวลนานัสมาธิก็รู้สึกว่างุดหงิด ไม่ไม่สามารถรู้สตัวได้อยากจะขอคาแนะนำจากหลวงพ่อรัาถ้ารู้ว่าหุนหงิดก็ใช้ได้แล้วความหุนหงิดก็เป็นอารมณ์มันนึ่เราก็เห็นไปความหุนหงิดเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราหรอกแล้วความรู้สึกทุกอย่างเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกทุกอย่างนะรวมทั้งความหุนหงิดด้วยเป็นของชั่วคราว ต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนั้นดูไปเลยมันเป็นของโชคล่าวทั้งหมดเลยดูซ้ำๆไปเรื่อยๆต่อไปขั้นที่แล้วนมพ่อสอนให้เขาดูไก่เขารู้สึกว่ามีก้าวหน้าแต่ตอนนี้รู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพียจงกลมก็ไม่ได้ นั่งสมาธิก็ไม่ได้อืยังหายใจได้ไหม <c oughs> ยังหายใจได้ก็เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปนะเอารู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆการรู้สึกร่างกายไม่ได้ใช้กําลังอะไรอย่างเรานั่งอยู่เราก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเราเดินอยู่เราก็เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะ เราขยับไปขยับมาร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูไม่ได้ต้องใช้เรี่ยวแรงอะไรเลยเพราะฉั้นเราก็ดูไปหรือร่างกายเราหายใจใจเป็นคนดูนีแค่รู้สึกอย่างนี้แหละสมัครที่มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นดูร่างกายไปจิตดีขึ้นแล้วล่ะจิตโปร่งใสสบายรู้สึกไหมจิตมันสบายขึ้นเราดูกายของเราต่อไป ดูแล้วจนกระทั่งเห็นความจริงนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นของโลกเป็นของอยู่ชั่วคราวจิตใจที่ไปรู้ร่างกายก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงสังเกตไหมจิตที่ไปรู้ร่างกายก็ไม่เที่ยงบางทีก็รู้กายบางทีก็ไปรู้อย่างอื่นเราเลือกไม่ได้ะน่นค่อยดูอย่างนี้ไปนะเราจเจริญปัญญารู้สึกกายรู้สึกใจไปคนต่อไป เขาอย่ารู้ว่าระหวัางดูลมหายใจกับสนมนพูทโทอันไหนหมวะกับเขามีอีกอย่างหนึง่งเขาอย่ารู้ว่าคือรู้สตัวของเขาคือคิดเอาหรือว่าเป็นจริงครับเขารู้สึกได้อยู่นะแต่ยังติดเพ่งอยู่ยังชอบเพ่งรู้สึกไหมใจมันแน่น แสดงว่าเรายังเพ่งอยู่นะใจมัลอึดอัดทําไมมันเพง่งเพราะว่ามันอยากปฏิบัติมันอยากดีหรือมันตื่นเต้นไม่ชอบที่มันตื่นเต้นก็นเพ่งเอาไว้ถ้าใจเราเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งอยู่ะใจได้คลายออกรู้สึกตัวไปสบายสบายอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดแล้วทราบไหม ใ, ใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดนะ ตรงจุดที่รู้ว่าใจหนีไปคิดนะตรงนั้นนะจิตมีสมาธิที่ถูกต้องจะมันจะสั้นๆเรียกนิการสมาธิจะสั้นๆงั้นเราให้ใจมันหนีไปคิดแล้วเรารู้ว่าใจหนีไปคิดสมาธิก็เกิดทีละนิดทีละนิ ด, ะนดสะสมไปเรื่อยๆเจนทั่งเราชํานาญนะจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปับ๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปับ๊บเราจะรู้สึกตัวได้ทั้งวันเลยจะรู้สึกมันรู้สึกอยู่ทั้งวันโดยที่ใจไม่แน่น แต่ถ้าเรากลัวใจจะเคลื่อนหรืออยากจะเห็นใจที่เคลื่อนให้ชัดๆเราจะเพ่งมันจะแน่นงั้นดูไปให้สบายๆนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีฝึกอยู่พัฒนาขึ้นมาแล้วนะคนต่อไปคนนี้อย่ารู้ว่าเขาหมวกับดูหายใจหรือว่าสนมนพุทโธครับหายใจก็ระวังเพ่งนะพุทโธก็ระวังหลงไปคิดอะไรก็ได้ แต่เวลาหายใจอย่าไปเพ่งเอาเวลาพุทโธอย่าเผลอไปคิดนานแค่นั้นแหละคนต่อไปเขามาเขาคอร์สครั้งแรกเขาอยากจะรู้ว่าภาวนาถูกต้องหรือเปล่าครับแล้วต่อไปเขาควรกรรมภาวนาต้องละวางอะไรครับ อาจรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะให้จิตใจมันอยู่กับตัวเราเองเราเห็นทุกอย่างในชีวิตเราผ่านมาแล้วผ่านไปเหมือนเรากําลังฝันอยู่เท่านั้นเองชีวิตนี้เหมือนกับอยู่ในความฝันทั้งนั้นทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปดูอย่างนี้เรื่อยๆไปสิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังอย่าเผลอนานอย่าเอาแต่คิดเอา คอรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยเขาอย่ารู้ว่ากรรมาัางอะไรแบบไหนจะเหมาะกับเขาครับคนช่างคิดก็ต้องดูจิตเอาคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองนั่นแหละการดูจิตเนี่ยดูสองอย่างนะอันใดอันหนึ่งก็ได้อันแรกรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตใจ เดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ลภโกรดหลงเนี่ยรู้ความรู้สึกอีกอันหนึ่งรู้พฤติกรรมดูการทํางานของจิตเดี๋ยวมันก็วิ่งไปดูมันวิ่งไปฟังวิ่งไปดมวิ่งไปรู้รสวิ่งไปรู้สัมผัสที่กายวิ่งไปคิดทางใจเนี่ยจิตมันวิ่งไปวิ่งมาเรารู้พฤติกรรมที่มันวิ่งไปวิ่งมาก็ใช้ได้ถ้าดูการวิ่งไปวิ่งมาไม่ออก ดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆแค่นี้ก็ใช้ได้นะสองอันนี้ระหว่างดูความรู้สึกก็ดูพฤติกรรมของจิตดูันไหนก็ได้ดูไปเรื่อยๆดูไปบ่อยๆแล้วต่อไปเราจะเกิดปัญญานะรรู้ว่ากระทั่งจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงอยู่เพ่ง ไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาอปล่อยให้ใจมันเคลื่อนไหวอย่าทำให้ใจหยุดนิ่งเอบคนต่อไปเขามาเขาคอสขั้นที่สงเขาอยากจะรู้ว่าจุดอ่อนของเขาคืออะไรครับฟงร้านเก่งเพราะนเราใช้เวลามากๆ ในการรู้สึกตัวเองไปเรื่อยร่างกายเราทํางานร่างกายเราเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้สึกไปเรื่อยๆนะอย่าปล่อยให้มันฟุง้งไปเรื่อยไม่ดียุ่งกับคนอื่นน้อยๆดูตัวเองเยอะๆนะแล้วเราก็จะ ก, ก้าวหน้าที่ฝึกอยู่ก็ถูกแล้วละมันมาได้ดีแล้วนะค่อยๆฝึกไปชีวิตจะได้มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นยิ่งฝึกยิ่งมีความสุขนะ คนต่อไปเขารู้สึกว่าใจเริ่มรวดเร็วบางทีมีอารมณ์รู้สึกต่างๆจะจะเหมือนจะให้ใจทุกข์มากเกือบทนไม่ไหวเขาไม่รู้ว่าต้องปรับปรุงอะไรครับเวลาความรู้สึกเกิดแล้วเรารู้สึกทุกข์มากทนไม่ได้ไเนนะี้ย ส่วนใหญ่เกิดจากที่เราเคยชินที่จะเพ่งจิตให้นิ่งๆพอจิตมันทำงานแล้วเราจะรู้สึกมันรุนแรงกระทบกกระทั่งรุนแรงทำใจให้สบายนะไม่บังคับจิตให้สงบไม่บังคับจิตให้นิ่งปล่อยให้จิตทำงานค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปช่วงไหนรู้สึกทนไม่ได้มาไหว้พระสวดมนต์มาอยู่กับลมหายใจไปแต่ว่าไม่ทำมากนะ พอให้ใจสงบพอให้ใจสบายนิดหน่อยล้วก็ออกมาเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจต่อไปถ้าจิตสงบมากเกินไปเนี่ยเวลาออกมากระทบอารมณ์นะมันจะรู้สึกรุนแรงอารมณ์ธรรมดานิดเดียวมันจะรู้สึกโอ้รุนแรงบีบคั้นจะทนไม่ไหวเลยพวกที่ทนไม่ได้เพราะว่ามันก็คล้ายๆอย่างบางคนนะใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่ไม่มีเชื้อโลกเลยนะอยู่ในห้อง ปลอดเชื้อแล้วพอออกมากระทบเชื้อโรคนิดเดียวทนไม่ได้ตายเลยจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าเราบังคับจิตฝึกจิตให้มันสงบนิ่งไปเรื่อยๆพอออกมากระทบอารมณ์นะมันจะรู้สึกรุนแรงนะจะรุนแรงจนทนไม่ไหวค่อยๆออกมากระทบนะช่วงไหนทนไม่ไหวแล้วก็กลับมาทำความสงบสงบนิดๆหน่อยๆพอแช่มชื่นใจแล้วก็ออกไปกระทบอารมณ์อีก ฝึกไปเรื่อยๆต่อไปใจเราก็จะเคยชินคล้ายๆเรามีภูมิต้านทานเชื้อโรคได้นี่เราก็จะมีภูมิต้านทานการกระทบอารมณ์ได้อย่าให้ใจมันนิ่งอย่าไปเพ่งใจคนต่อไปเขามาคอคอร์สครั้งแรกอยากจะรู้ว่าภาวนาถูกต้องหรือเปล่าครับบังคับให้น้ยลงหน่อย ปล่อยให้กายให้ใจมันเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับมันธรรมดาที่สุดดีที่สุดอย่างใจของคนธรรมดาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราก็ต่างกับคนธรรมดานิดเดียวคนธรรมดาเวลามีความสุขมันก็เพลินไปเวลามีความทุกข์มันก็โศกเศร้านี่เราต่างกับเขานิดเดียวมีความสุขเราก็รู้มีความทุกข์เราก็รู้ ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ไปเรื่อยๆเห็นว่าความรู้สึกทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านใจเราก็จะมีความสงบสุขมากขึ้นมากขึ้นฝึกไม่นานได้ขนาด น, นี้ก็เก่งแล้วละไปฝึกอีกเขาอย่ารู้ว่าตอนนี้จิตสภาวะของเขาเป็นยังไงแล้ว ต่อไปเขาคนภาวนาอย่างไงครับเขาดีกว่าแต่ก่อนนะเมื่ก่อนมันเพ่งไว้ตอนนี้คลายการเพ่งออกแล้วต่อไปก็เรียนรู้มันทํางานร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูจิตใจเคลื่อนไหวจิตใจเป็นคนดูรู้ทันไปเรื่อยๆใช้ได้อย่าบังคับใจให้นิ่งก็แล้วกัน ของที่เคยชินมันเคยชินบังคับคนต่อไปนะเขาเป็นคนใหม่เขาอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับเป็นคนใหม่แสดงว่าเพิ่งเกิดไม่นาน <laughs> <laughs> ไปดูอยู่คู่บ่อยๆนะที่หลวงพ่อสอนนะนะแล้วก็ดูสังเกตจิตใจของเราไปได้วยจิตใจของเราชอบคิดเราก็รู้จิตใจเราโมโหขึ้นมาเราก็รู้โมโหเก่งไหมใจมันโมโหเราก็รู้นะใจมันหายโมโหเราก็รู้ใจมันเป็นยังไงเราก็รู้ไปเรื่อยๆไม่ห้ามมันหรอกยิ่งห้ามยิ่งโมโหนะ รู้ไปสบายๆแล้วเวลาใจมันหลงไปคิดก็รู้ว่าหลงไปแล้วหลงไปแล้วนะแค่รู้ทันตรงที่เรารู้ว่าหลงไปคิดน่ะสมาธิมันจะเกิดเห็นตอนเนี้หลงไปคิดแล้วนะรู้อย่างนี้นะเออดูเป็นละใจมันหลงไปคิดรู้ทันปุ๊มันจะรู้สึกตัวขึ้นมาไม่รักษาความรู้สึกตัวนะ มันหลงอีกรู้อีกหลงอีกรู้อีกไม่ใช่ว่าห้ามหลงนะถ้าห้ามหลงเราจะเครียดเกินไปเอาคนต่อไปเอาข้อคอสสงจะรู้ว่าภาวนาถูกหรือเปล่าครับภาวนาถูกหรือเปล่าถูกไหมใครว่าถูกบ้าง ตอนนี้เราบังคับจิตเราเยอะไปเราตื่นเต้นจะคุยกับหลวงพ่อความจริงจะฟังหลวงพ่อคุยใจเราตื่นเต้นเรารู้ว่าตื่นเต้นเราบังคับใจเราจะให้สงบรู้ว่าเราบังคับอยู่การเรียนกรรมฐานไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเป็นการเรียนรู้จิตใจของตัวเองเรียนรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองเราเรียนนิดเดียวแค่นี้ ถ้าเราเรียนแล้วเราเข้าใจความจริงของร่างกายเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายถ้าเข้าใจความจริงของจิตใจเราจะไม่ทุกข์เพราะอะไรอีกนั้นเราเรียนความจริงให้เห็นในจิตใจนี้เต็ไมไปด้วยความไม่คงที่เต็ไมไปด้วยการบังคับไม่ได้ในร่างกายนี้ก็เหมือนกันเป็นของไม่คงที่มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นวัตถุที่เรายืมโลกมาใช้ ในเวลาเราดูร่างกายก็ดูไปอย่างงี้ยไม่ใช่ดูร่างกายเราว่าแหมมันสวยแล้วเกินตาเราสวยคิ้วเราสวยอะไรอย่างเงี้ยเรียก็ดูไม่เป็นนะถ้าดูร่างกายก็ดูว่าโอ้ร่างกายมันถูกความทุกข์บีบบีบคั้นอยู่ด้วยยืนานานนานก็เมื่อยนั่งานานๆก็เมื่อยนอนานานานก็เมื่อยเนี่ยมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าดูกาย ดูกายไม่ใช่ส่องกระจกนะดูกายส่องกระจกดูแข็งแ <c oughs> คนนี้ชอบชอบดูกายแบบนี้นชอบชอบชอบสวยชอบสวยก็ไม่เป็นไรเพราะคนมันสวยจะช่วยไม่ได้แต่ว่าหัดดูให้มันเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ร่างกายนี้มีความทุกข์ เราก็จิตใจเรามีแต่ความไม่คงที่ไม่เที่ยงอยัดดูอย่างนี้เรื่อยๆเพ่งแล้วเมื่อกี้ไม่ได้เพง่งตอนนี้เพง่งคนนั่งอยู่ใกล้หลวงพ่อเนี่ยนะถ้าอยู่ในแนวเนี้ยนะจะถูกควบคุมมากเป็นพิเศษเลยคนที่อยู่ตรงเนี้ยเวลาหลวงพ่อสอนพระหนะลวงพ่อนั่งเก้าอี้ตัวนี้ สังเกตให้เดีฮยวพวกพระเขาจะไม่ยอมนั่งตรงกับหลวงพ่อให้นั่งหลบมาข้างๆนะนะกาใคร น, นั่งเจอหลวงพ่อนีนน้ตัวแก่งเลยนะนะกร ะ, ด, กกระ ด, ก ด, ดูกระดิกะดูกระดกไม่ได้ดูไปดูนะร่างกายนี้มีความทุกข์เยอะแยะดูไป ก, กีบ่อยๆเราไป็คนรักกายเราก็ดู ก, กาย แล้วใจมันก็เห็นเองนะใจสุขใจทุกข์ใจดีใจร้ายไม่เห็นเองแนละ้วคนต่อไปปีที่แล้วเขารู้สึกว่าตัวเองฟงุ้งแต่อาจารย์บอกว่าเขาเพ่งมากแต่ปีนี้รู้สึกว่ามีความเปลี่ยนเป็นเยอะแต่ก็ยังบังคับตัวเองอยู่อยากจะขอคําแนะนำจากหลวงพ่อครับที่อาจารย์ว่าเพ่งหนังก็คือบังคับตัวเองนั่นแหละ เพ่งก็คือการบังคับตัวเองงั้นเราอย่างเพ่งอยู่เราก็รู้ทันมันทำไมต้องเพ่งเพราะเราอยากดีถ้าเรารู้ทันใจที่อยากมันก็เลิกเพ่งไปเองรู้ทันใจตัวเองมันก็แก้ได้ทั้งนันนะกรรมฐานที่เราเพ่งเพราะเราอยากดีรู้ทันใจที่อยากความอยากดับมันก็เลิกเพง่งนะสบายๆดูไปปีนี้ดีกว่าปีก่อน นะจิตพัฒนาขึ้นละไปดูอีกปีต่อต่อไปก็ดีกว่า น, นี้อีกนะอย่าดีอยู่แค่นี้นะต้องดีกว่า น, นี้ดีขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆหมายถึงอะไรไม่ใช่หมายถึงสงบมากขึ้นนะดีขึ้นไปเรื่อยๆหมายถึงยอมรับความจริงได้มากขึ้นความจริงของร่างกายมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตาย ความจริงของจิตใจก็คือต้องเชื่ออารมณ์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างถ้ามันไม่ได้ถ้าใจยอมรับความจริงได้ใจจะไม่ทุกข์งั้นการพัฒนาในการปฏิบัติเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราสามารถเข้าใจแล้วก็ยอมรับความจริงได้มากขึ้นมากขึ้นถ้ายอมรับความจริงได้เต็มที่ใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในกายหรือใจอย่างร่างกายเราเนี่ยยังไงก็ต้องทุกข์แน่นอน ถึงวันหนึ่งเวลาเราเจ็บมากๆเราจะตายอะไรอย่างนี้ต้องทุกข์แน่นอนนั้นเราหนีไม่ได้เราฝึกตัวเองทุกวันทุกวันเรียนรู้กายรู้ใจไปพอถึงเวลาวิกฤตของชีวิตอย่างนั้นใจเราไม่กระสับกระสายใจเราสงบมีความสุขคนต่อไปเวลาทํารูปแบบเขาจะเดินจงกรม เขารู้ว่าเขาคนใช้เวลาทํารูปแบบเยอะๆหรือว่าควรเจริญสติดูกายดูใจเยอะครับเดินจงกรมนั่นแหละเดินดูใจดูกายดูใจนะทุกก้าวที่เดินมีความรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูอันนี้เราดูกายเดินไปเดินไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วหรือเดินไปเดินไปเกิดขี้เกียจเดินรู้ว่าขี้เกียจเดิน อันนีว่าเราดูจิตมันทุกความเคลื่อนไหวเนี่ยรู้กายรู้ใจของเราไปรู้กายก็ได้รู้ใจก็ได้มันจะรู้ทีละอันไม่รู้พร้อมกันสองอย่างหรอกนะแต่ละขณะแต่ละขณะบางขณะรู้กายบางขณะรู้ใจเขาก็เดินจงกรมแล้วก็รู้กายรู้ใจได้นะคนนี้ทําได้ดีด้วยจิตใจใช้ได้นะดีทําถูก มาเดินโชว์หน่อยได้ไมมาเดินตรงนี้ไม่ถูกละเห็นไหมพอเริ่มเดินก็เริ่มบังคับใจให้นิ่ง greeting. นะพอเดินมาถึงก้าวที่สามใจก็หนีไปคิดลนะเนี่ยเราเดินไปรู้สึกกายรู้สึกใจไปเดินไปเห็นร่านกายมันเดินใจเราเป็นคนดูอย่างนี้ก็ใช้ได้ เดินเดินไปแล้วใจมันหนีไปคิดร uh huh ู้ว่ามันหนีไปคิดอย่างนี้ก็ใช้ได้เรียกว่าเดินรู้กายรู้ใจแต่เวลาเดินเนี้ยอย่าบังคับใจให้นิ่งนะเดินรู้สึกไปแต่เบื้องต้นหัดใหม่ๆจะบังคับนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรนะแต่เบื้องต้นไม่บังคับเลยมันจะหลงไปนานไปฝึกต่อไปไปนั่งนั่งได้เห็นไหมเดินไปแล้วหลงแล้วเห็นไหม การปฏิบัติเนี่ยไม่มีการเว้นวักนะไม่ใช่ตอนนี้หยุดตอนนี้ทำาะงนั้นทุกก้าวที่เราเดินมีสติรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจได้เรียกว่าเราปฏิบัติอยู่นะไม่ใช่จะปฏิบัติเฉพาะตอนมาเดินกลับไปกลับมาไปเดินช้อปปิ้งก็ดูกายดูใจได้ถ้าเวลาเดินช้อปปิ้งแล้วเราดูกายดูใจไปเราจะไม่เสียสตัง เราจะไม่ได้อยากซื้อน้นซื้อนี่จะรวยนะนีนหลังจะรวยเดินเดินแล้วรู้สึกตัวไปไม่อยากซื้ อ, อะลรนี่ถ้าจะช่างซื้อยอมรับเลยใช่เอาคนต่อไป นักเดินจงกรมเนี่ยถือว่าภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วล่ะแต่ยังติดเพ่งอยู่นะติดบังคับใจให้สงบให้รู้ตัวอยู่ต้องใจก ล, กล้าๆต้องหลงบ้างหลงแล้วรู้ดีพารู้สึกตัวตลอดเวลารู้สึกตัวตลอดเวลานั่นคือการเพ่งแน่นอนเอาว่าไปคนใหม่เขามาขาอคอสขั้นที่สงรู้สึกว่าก้าวหน้า แต่เขาอย่าลัวเขาควรปรับปรุงอะไรบ้างครับมันเจ้าหน้าขึ้นจริงนะแต่ระวังอย่าไปท้อแท้ใจนะจบางทีภาวนาเรารู้สึกบางช่วงก็ไม่ก้าวหน้าเลยไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงไม่พัฒนาอะไรเงี้ยบางทีท้อใจไม่ต้องท้อใจสะสมไปเรื่อยๆเราสะสมเชิงปริมาณนะถึงจุดหนึ่งเปลี่ยนคุณภาพโดยฉับพลันเนี่ยทฤษฎีของประธานเหมานะ สะสมยาวนานสะสมในเชิงปริมาณและก้าวกระโดดเปลี่ยนคุณภาพของจิตใจอย่างฉับพลันเวลาที่เปลี่ยนคุณภาพในจิตใจนี่คือเวลาที่เกิดอริยมรรคเนี่ยทฤษฎีมาร์กในส่วนนี้กับทฤษฎีของพระพุทธเจ้านี่เหมือนกันนะตรงนี้คืออะไรที่เป็นความจริงจะ ใ, ใครพูดมันก็เหมือนกันเท่นั้นแหละ อย่างเราต้องสะสมเชิงปริมาณเราสะสมศีสมาธิปัญญาสะสมไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจิตเราปฏิวัติตัวเองเปลี่ยนคุณภาพทางจิตใจในชับวพรานช่วงขณะจิตช่วงแว บ, บเดียวเองช่วงเวลาสะสมยามนานช่วงเปลี่ยนผ่านนิดเดียวเองเวลาอริยมรกเกิดเ น, นี่ยช่วขณะเดียวแวบบเดียวจิตเราเปลี่ยนไปหมดแล้วไม่กลับมาเป็นอย่างเก่าล เพรา้นเราตอนนี้สะสมให้มากสะสมอะไรสะสมศีลสมาธิปัญญาให้มากนะมีสมาธิเป็นยังไงก็คือฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองให้มากนะมีปัญญาเจริญปัญญาให้มากทําไงดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจให้มากๆให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะอย่างนี้ถ้าเราทําได้เรื่อยๆมันคล้ายๆเราสะสมปริมาณได้เร็วบางคนสะสมปริมาณได้ช้านะ ดูอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ขี้เกียจนานๆกลับมาดูใหม่แล้วก็ขี้เกียจอีกแบบนี้ไม่เปลี่ยนคุณภาพเพราะปริมาณนีสะสมไม่เต็มสักทีคนต่อไปครัอบคพระขั้นที่เรามาเข้าคอร์สเสร็จแล้วกลับไปก็ป่วยตลอดรู้สึกว่าใจก็ทื่อๆก็นั้นจะฝัน จะรู้สึว่าหน้าออกอืดอัดอยากจะขอคำแนะนำจากหลวมพ่อภาวนานดีขึ้นนะการภาวนานดีขึ้นนะ่ยอย่างการภาวนานช่วงแรกๆที่เราหัดภาวนามจะมีแต่ความสุขแต่พอภาวนานมากขึ้นเจริญปัญญามากขึ้นเราจะเห็นในร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกขนะ์ร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษอีกต่อไปลนะ้ที่สําคัญไม่ใช่ฝึกให้ร่างกายมีความสุข แต่เราฝึกให้ใจเป็นกลางเวลาร่างกายมีความทุกข์ฉะนั้นจุดสำคัญอยู่ที่ใจของเราร่างกายเนี่ยอายุมากขึ้นแก่มากขึ้นเจ็บมากขึ้นใกล้จะตายไปทุกทีทุกทีเราจะไปสั่งให้มันดีให้มันสดชื่นเหมือนสมัยยังหนุ่มยังสาวอะไรเงี้ยทำไม่ได้จุดสำคัญอยู่ที่ใจของเราเองเราเห็นร่างกายเจ็บป่วยใจเราเป็นคนดูใจเราสงบสุข ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าใจเราไม่พอใจที่ร่างกายเจ็บป่วยรู้ว่าใจไม่พอใจรู้ทันใจตัวเองไว้ไปฝึกไปฝึกไปอีกที่ฝึกมานะใช้ได้นะดีเชะละเขาเห็นกายนี้เป็นทุกข์แต่ว่าใจยังไม่เป็นกลางคนต่อไปขอเขาจะ เวลาจงกรมจะสวดมนต์เวลาเอา่อร่างกายหายใจก็สวดมนต์เวลาสร้างจังหวะก็สวดมนต์เขาอยากจะรู้ว่ า, าทำอะไรก็สวดมนต์ใช้ได้ไหมครับใช่ได้แต่ต้องรู้ทันใจตัวเองไม่ใช่สวดมนต์เพื่อให้จิตสงบเฉยๆนะไอ้นั้นก็ดีเหมือนกันแต่ดีไม่มากแต่ถ้าสวดมนต์ไปแล้วใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงความรู้สึกมันเปลี่ยน สงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างสุขบ้างทุกบ้างถ้าเห็นอย่างนี้ดีที่สุดนะเป็นการเจริญปัญญาถ้าสวดไปเรื่อยๆให้จิตสงบก็ได้สมถะได้สมาธิดีเหมือนกันแต่ดีไม่มากดียังไม่เต็มที่ดีเต็มที่ต้องเดินปัญญานะเพราะฉะนนสวดมนต์ไปแล้วก็เห็นความรู้สึกเห็นจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างนั้นจะดีมาก คนต่อไปเขาสามารถเวลาเห็นเวลาเห็นกิเลสเขาชอบปังคับใจแล้วก็จะเห็นใจไม่พอใจกับปังคับแต่ที่ไม่ชอบไม่พอใจก็ยังไม่ยังไม่หายมันไม่หายหรอกพราะใจเราไม่เป็นกลาง ในขณะนั้นเรามีโทสะซ้อนโทสะคือทีแรกของเราโมโหขึ้นมาต่อไปเราก็โมโหใจเราเองที่โมโหอีกนะมันเป็นโกรธซ้อนโกรธไปเรื่อยๆให้เรารู้ทันว่าเราไม่ชอบกิเลสไม่ชอบโทสะพอเรารู้ทันว่าใจไม่ชอบนะใจเป็นกลางโทสะมันจะดับถ้าใจไม่เป็นกลางมันไม่ดับหรอกในขณะนั้นเราพลังมีโทสะอีกตัวหนึ่ง ไปกโกร้ตัวเดิมไปกโกรธจิตของเราเองเพราะฉะเราจุดสําคัญก็คือรู้อารมณ์ทุกอย่างรู้ด้วยจิตใจที่เป็นกลางไม่ใช่รู้เพราะอยากให้โทสะไม่มีไม่ใช่รู้เราก็อยากให้โทสะหายไปโทสะจะมีหรือโทสะจะหายไปก็เป็นเรื่องของโทสะไม่ใช่เรื่องของเราเรามีหน้าที่รู้ด้วยความเป็นกลางเท่านั้น เขาขอขำถามอีกข้อเขาเคยสมัยก่อนเขาดูลมหายใจตอนนี้เขาดูร่างกายเครื่องไหวเขาอยากรู้ว่าวิธีไหนเหมาะกับเขาครับดูร่างกายทั้งร่างกายเขาดีนะดีกว่าไปดูส่วนใดส่วนหนึ่งไปดูส่วนใดส่วนหนึ่งมักจะเป็นการเพ่งกลายเป็นการทาสมถารรู้สึกมันทั้งตัวแต่อย่าไปเพ่งทั้งตัวนะเราสามารถรู้ลมหายใจได้ เราเห็นตัวเนี้ยกําลังหายใจเห็นร่างกายทั้งร่างกายเนี้หายใจนะหรือเห็นร่างกายทั้งร่างกายเนี้ยืนเดินนั่งนอนนะดูมันทั้งตัวไม่ต้องไปดูจุดใดจุดหนึ่งถ้าดูจุดใดจุดหนึ่งจะได้สมาธิชนิดสงบเฉยๆนะรู้ไปทั้งตัวแล้วตอนนี้จิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิด รู้สึกร่างกายไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูกายแล้วจะได้เห็นจิตอาศัยกายเป็นฐานรู้สึกอยู่ในกายใจจะได้ไม่หนีไปในขณะเดียวกันไม่ได้บังคับกายนะรู้สึกไปสบายๆเห็นร่างกายทั้งตัวนี้มันกำลังหายใจเห็นร่างกายทั้งตัวนี้มันกำลังนั่ง หายใจไปนั่งไปใจหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าใจหนีไปจุดสำคัญคือการรู้ใจตัวเองจุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่ารู้ร่างกายไม่ว่ามันทำอะไรหรอกนั้นตื่นไปคนต่อไปตื่นเต้นก็รู้ว่าตื่นเต้นขั้นที่แล้วหลวงพ่อสอนให้เขาสวดมนต์ แล้วรู้สึกกายไปด้วยเขาก็ใช้วิธีแบบนี้ไปฝึกเขาอยากจะรู้ว่านั้นจะเคราวนี้กลับไปก็ทำอย่างนี้ต่อไปไหมครับใช่รู้สึกไหมจิตใจเราดีขึ้นนะเมื่อเราทำมาแล้วมันดีขึ้นแนะสดงว่าวิธีที่เราใช้อยู่เนี่ยเหมาะสมแล้วเราทำอีก เราไม่ได้ทําเอาความดีอะไรหรอกทำจนกระทั่งสติมันอัตโนมัตินะใจเราขยับกระเยือนอะไรนิดเดียวเราก็เห็นหมดอนะ่ะไม่ได้เจตนาจะเห็นด้วยมันเห็นเองนะแล้วต่อไปปัญญามันก็เกิดมันจะรู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราร่างกายก็เป็นของอาศัยชั่วคราวไม่นานก็ตายไปความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายก็เป็นของชั่วคราวไม่นานก็หายไปเ น, ะนปี่ยเพราะงั้นต่อไปใจก็เป็นกลาง ไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายกับสิ่งต่างๆใช้มีความสุขมีความสุขมีความสงบคนต่อไปขั้นที่แล้วนุ่มพรอบอกว่าเขาสามารถนั่งสามาธิได้แล้วเขาใช้วิธีดูจิตตัวตรงขอคำแนะนำก็ดูจิตมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะแต่ควรจะควรจะนะ ทุกวันควรจะไหวพระสวดมนต์แบ่งเวลาไว้บ้างมันจะเป็นการเพิ่มพลังของจิตถ้าเราดูจิตมันรวดไปเลยนะถึงจุดหนึ่งมันจะไม่มีแรงดนะูเพราะฉนั้นเราไหวพระสวดมนต์ทุกวันทุกวันเป็นการเพิ่มพลังของจิตนึกถึงไม่ชอบพุโทโธก็บริกรรมมิตรภาพมิตรภาพอะไรก็ไดนะ้บริกรรมอะไรก็ได้เหมือนกันหมดแหละมีค่าเท่ากัน ใจจะได้มีแรงแต่ไม่ได้บริกรรมเพื่อให้ใจนิ่งๆแข็งๆนะบริกรรมเล่นๆแล้วใจจะได้มีกําลังขึ้นมาแล้วก็ดูจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั้นเป็นการเจริญปัญญางั้นงานเรามีสองงานงานสมถะเราก็ไหวพระสวนมนต์บริกรรมไปงานวิปัสสนาเราก็ดูจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเราทำสองอย่าง ขั้นันที่แล้วกลับไปรู้สึกว่าสติเริ่มดีขึ้นใช่ดีขึ้นสังเกตไหมจิตมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันรู้เนื้อรู้ตัวได้นะแล้วขันมันก็แยกอย่างมันรู้สึกก่กับใจเป็นคนล่านกันความรู้สึกกับจิตใจก็เป็นคนล่านกันีน่ยหัดดูไปเรื่อยๆ แ, แล้วก็จะเห็นทุกอย่าง เป็นของไม่คงที่ทุกอย่างผ่านมาผ่านไปทุกอย่างบังคับไม่ได้ไปฝึกเรื่อยๆไปคนนี้ใช้ได้อยู่จิตมีกำลังคนสุดท้ายครับขั้นที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าใจเขาฟง้งนั้นจะนั้งเขาทำรูปแบบผู้วันอยากจะรู้ว่าตอนนี้เขาคนมีอะไรปรับปรงครับ รู้ไหมว่าเราดีขึ้นเราภาวนามาจิตใจเราดีขึ้นแล้วนะจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวได้มากขึ้นละนั้นเราก็ฝึกของเราต่อไปอย่างเมื่อกี้นีน้ใจหนีไปคิดใจหนีไปสงสัยรู้ว่าใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปสงสัยรู้ทันมันไปนะนั้นอะไรเกิดขึ้นในจิตใจก็คอยรู้ไปเรื่อยๆ แล้วก็ทํากรรมฐานที่เคยทํานี่แหละใช้ได้ทำแล้วดีขึ้นก็ทําต่อไปนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจให้ละเอียดประณีตมากขึ้นมากขึ้นทีแรกพอหัดดูเนี่ยเราจะเห็นแตพาะกิเลสตัวใหญ่ๆต่อมาเราก็จะเห็นกิเลสที่ละเอียดละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งในที่สุดกิเลสเล็กกิเลสน้อยอะไรเนี้ยแฝงอยู่ในใจเราไม่ได้ใจเราให้มีความสุขมาก ตัวที่ทำให้ใจเราไม่มีความสุขก็คือกิเลสนั่นเองนั้นเราคอยรู้เท่าทันใจของตัวเองไปเจนกิเลสมันอาศัยอยู่ไม่ได้ใจเราก็สบายหมดแล้วหรือห้านาทีแล้วทำไมไม่ส่งกันบ้าน <c oughs> จิตเรามีกําลังมากขึ้นจิตใจมีแรงมากขึ้นดีแล้วล่ะต้องไ่ทําเรื่อยๆไปนะอย่าท้อถอยนะอย่าคิดว่าเมื่อไร่จะสําสเร็จเราปฏิบัติไปเรื่อยๆถึงเวลามันก็สําเร็จของมันเองเหมือนเราพุงข้าวไม่ต้องคิดว่าเมื่อไร่ข้าวจะสุกพนะุงข้าวไปเรื่อยๆถึงเวลาข้าวก็สุกเองแหละ อยากให้มันสุขเร็วๆมันก็ไม่สุขหรอกนะงั้นหน้าที่เราก็แค่รู้สึกตัวไปเห็นกาเห็นใจทํางานไปเรื่อยๆจิตดีขึ้นเยอนะแต่ตอนเนี้ยจิตไม่เข้าฐานดูออกไหมจิตมันกระจายสบายมีความสุขเพลินๆออกไปให้รู้ว่าจิตมันเพลิอนออกไปข้างนอกไม่ดึงคืนถ้าดึงคืนจะแน่นแค่รู้ว่ามันอยู่ข้างนอกนะแล้วก็รู้สึกในร่างกายในหายใจไปเรื่อย ๆ, ๆเดี๋ยวจิตไม่จะกลับเอง สังเกตไหมจิตมันมีความสุขปุดขึ้นมาเป็นระยะระยะดูออกไหมนะเวลาที่เราไม่ได้ไปทําอะไรมันมันมีความสุขปุดขึ้นมาเวลาเราอยากให้มันมีความสุขมันไม่เคยมีความสุขเลยนะนั้นเราเฝ้ารู้สึกรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะความสุขก็ปุดขึ้นมาเป็นระยะระยะอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้บังคับจิตให้นิง่งนะไม่บังคับแต่ใครที่นั่งตรงกับหลวงพ่อนี่นะจะบังคับทุกคนนะแต่ทั้งตรวจแข็ง เพราะว่าพอศบตาหลวงพ่อเนี่ยเหมือนถูกสาบใครมองตากันหลวงพ่อเนี่ยจะต้องตัวแข็งว่าไงถือไม่ต้องถามให้หลวงพ่อบอกเลย เขาเรียนธรรมหลวงพ่อประมาณ4เดือนอยากจะขอคำแนะนำครับสี่เดือนเก่งภานาไปทำถูกแล้วนะใจของเขาตื่นขึ้นมาแนละ้วต่อไปนี้เราก็ดูนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรานะดูไปเรื่อยๆตอนนี้หมดเวลาแนละ้วนะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมต่อไปอีกนะ ที่เหลือไว้ที่หลังนะหมดหนหนเลยนะหลวงพ่ออนุมโมทนาได้นะหลวงพสวยชิ่ที่เราเรียนธรร ม, มานี่ให้เราเข้าใจหรอว่าเราช่วยกันแปลช่วยอะไรอย่างเงี้ยคืที่เราเรียนธรรมานี่ใหเราเข้าใจหรือว่าเราช่วยกันแปลช่วยอะไรอย่างเงี้ย因为我们来学法，最 后, 后เราทำไปก็เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อคนอื่น 我们这么做，实际上是为了这个其他人的集体的、全人类的利益。那第二种是，培养众生。众生的痛苦，我们是透过学法修行，让自己的苦减少。第二，就是。<送贪 S 1> 第二个就是，我们为了其他人的利益，我们把法传传出去。我们让每天有电灯就ไฟไหม？天光，我们一盏，闪光没光，我们给其他人也点上，一直点下去，最后的光亮就会越来越多。就像最开始我们手上只有一支点燃的蜡烛，这个光明并不大，但是我们把手上点燃的蜡烛不停的让其他人手上的蜡烛也点燃。 เ个个越越越越มื่อแสงสว่างเยอะขึ้นนะเราเองก็ได้ประโยชน์เราก็จะเห็นทุกอย่างได้ชัดขึ้น一旦这个光明更加亮堂了我们自己也会获得利益我们看到所有的一切就会更加看得更加清楚ดังนนการทำประโยชน์ของเราเนี่ยก็ทําไปแล้วเราได้ประโยชน์คนอื่นได้ประโยชน์นะแล้วก็การทําประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ย<嗯>สุดท้ายมันก็สนองกลับมาที่เราเอง 因此，我们最开始利益自己的时候，我们这个自己会获利，别人也会获利。我们去帮助别人的时候，别人会获益，最后那个利益又会返回到我们自己身上来。เหมือนพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์สร้างความดีเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองแลท่านก็ช่วยเหลือคนอื่นการที่ท่านช่วยเหลือคนอื่นอย่างพวกเราถ่ายทอดธรรมะออกไปนี่การช่วยเหลือคนอื่นจิตของท่านก็ดีขึ้นเรื่อยเ 就像这个，们们心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，心，